ยาีเรื่องขโมยครั้งหนึ่งในประเทศอาหรับมีขอทานหิวโซเดินหาของกินอยู่ พอดีผ่านร้านเนื้อย่างก็มีเสียงเ อ, อะอะเจ้าของร้านเห็นเข้าชุดกระชากขอทานพร้อมตะโ ก, กนว่าขโมยขโมยขอทานถูกนําตัวไปหาผู้พิพากษาชายคนนี้ขโมยอะไรของเจ้าผู้พิพากษาถามท่านผู้พิพากษาที่เคารพขอทานคนนี้ขโมยเนื้อย่างในร้านของข้า ขณะข้ากำลังย่างเนื้อที่น่ารักและสูดดมกลิ่นหอมของเนื้อเป็นเวลานานโดยไม่ยอมหลีไปทางอื่นผู้พิพากษาตกตะลึงเมื่อเจอคำกล่าวโทษประหลาดจึงถามขอทานว่าจะทำดังขอกล่าวหาหรือเปล่าจริงครับเพราะกลิ่นหอมมากและผมก็หิวจริงๆขอทานตอบ หาเช่นนั้นเจ้าขโมยกลิ่นหอมเนื้อย่างจริงเจ้าต้องชดใช้ค่าเสียหายผู้พิพากษาว่าเจ้าของร้านดีใจและพูดท่านผู้พิพากษาท่งไว้สึ่งความยุติธรรมขอขอบคุณครับเจ้ามีเงินชดใช้หรือไม่ผู้พิพากษาถามขอทานไม่มีเลยครับเอาละ เราจะให้ยืมสองเหรียญพูดจบผู้พิพากษาก็ยื่นเหรียญสองอันให้แก่ขอทานเจ้าของร้านยิ้มร่าวิ่งออกมาจะรับเงินขณะยื่นมือออกรับเหรียญทั้งสองก็กระทบกันดังกริง้งเดี๋ยวก่อนเจ้าทำไมขโมยของของเข า, เขาผู้พิพากษาถามท่านผู้พิพากษา ท่านเห็นแล้วว่าผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยก็เจ้าขโมยเสียงเงินกระทบกันเมื่อกี้นี่งไงปัดโทเสียงเงินกระทบกันนั้นคนมีหูกับฟังได้ทำไมถึงว่าขโมยละ่ะเจ้าของร้านต่อถ้าเช่นนั้นใครมีจมูกก็ดมกลิ่นเนื้อย่างได้แล้วทำไมจึงกล่าวหาว่าเขาขโมยดมกลิ่นเหล้า เจ้าของร้านนิ่งเงียบผู้พิพากษากล่าวต่อว่าศาลขอตัดสินจำเลยไม่มีความผิดขอปิดคดี